สัปดาห์ถึงสองสัปดาห์แห่งการค้นหาทุกเมื่อเห็นทุกของตัวเองชัดหันไปดูโลกว่าโลกในสมมุติต่างๆที่มันซ้อนระบบครอบงำกันขึ้นมาสับสนอลรมานวุ่นวา ย, ยาวัตรรักรต่างๆที่ศาสดากรัตริย์นักปราชญ์ผู้นำอุดมการชนนั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไป มากมายในประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกนี้ได้ไหมั้ยเปลี่ยนให้มันเป็นสุขสถาพรได้ไหมมันไครพยายามสร้างโลกคือสร้างสินสมมติคือสร้างคุบและคุกโลกและสินสมมติเป็นทุกนะเป็นทุก คุณจะทําดียังไงก็ยังทุกข์ดีก็ด้วยทุกข์ชั่วก็ด้วยทุกข์ที่จะหลุดออกไปจากทุกข์มีแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นงั้นใครที่กําลังติดดีเมาดีถามตัวเองว่ามีมนุษย์เลกกี่คนในโลกที่เข้าใจความดีของเรามนุษย์ที่เข้าใจความดีของเรานั้นกระตันอยู่ต่อเราสักเท่าไหร่มนุษย์ที่กระตันอยู่ต่อเรานั้นมีสักกี่คน ที่ทำด้วยความเป็นธรรมแท้มีทําเพราะความจำใจและมนุษย์ที่มีทํานั้นมินมีสักกี่คนที่ลงตัวคุณลองกลองดูนะครับกลองดูคุณจะเหลือน้อยนิดจริงๆส่วนใหญ่ที่เหลือน้อยนิดนึงก็คือภาริยาบุคคลหมด ใ น, นสัปดาห์นี้ดูทุกตรงตามความเป็นจริงของตัวเองนะดูของตัวเองส่องออกไปดูของตัวเองก็กลับมาดูของตัวเองดูอยู่นั่นแหละดูอยู่นั่นแหละดูก้อนชีวิตนี่แหละ